เมาเช้าหลวงพ่อก็เปิดธรรมะย้อนหลังให้ฟังบางคนก็อาจจะติดตามฟังนะเป็นเรื่องที่หลวงพ่อทั้งพูดก็เรียกว่าสนทนากับญาติโยมหรือไม่ก็อาจจะแบบเชิงแสดงพูดคนเดียวนี่หลวงพ่อมามาดูเนาะขอดูมาพูดคุยเรื่องปัญหาของการปฏิบัติธรรมนิดนึงก่อนอารมณ์หรือความรู้สึก มันเยอะมันนับไม่นับไม่ถูกนับจำนวนไม่ได้ว่ามันมีกี่อารมณ์หรืออะไรมันเยอะไปหมดทีนี้อารมณ์เหลนี้มันเป็นเรื่องคล้ายๆว่าอารมณ์บางอย่างมันก็ถูกใจอารมณ์บางอย่างมันก็ไม่ถูกใจอารมณ์บางอย่างมันก็เฉยๆแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าตรงกับอารมณ์ที่ตัวเองชอบมันก็ถูกใจนะ แต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่ตัวเองไม่ชอบมันก็ไม่ถูกใจแล้วก็หลักใสถ้าอารมณ์ชอบก็ยึดโดดเข้ามาอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าเราเรียนเรื่องอารมณ์เนี่ยมันหลวงพ่อก็ดูดูล้วมันมันไม่ไหวแต่สิ่งที่ให้มันแคบเนี่ยสิ่งที่เรียนง่าง่ายให้มันแคบเนี่ยก็คือต้องเรียนรู้อารมณ์ที่ที่มันเกิดในใจอะเพราะว่าถ้ามันเกิดทางหู ที่ตามองเห็นหูได้เยิยนได้<อ>ินเสียงตามมองเห็นรูปจมู ก, กได้กลิ่นลิ้นได้รสกานผัดอันเนี้ยมันมันมันเยอะมากเพราะถ้าเรามาเรียนฟังในจิตในใจ น, น, น, นะมนไม่เกี่ยวกับการเห็นรูปข้างนอกไม่เกี่ยวกับกรูปข้างนอก เกี่ยวกับการรสรสเป็นรสชาติต่างๆซึ่งอยู่ด้านนอกหรือว่าดินฟ้าอากาศอย่าเงี้ยมันเป็นอารมณ์นอกแต่ถ้ามารู้ในใจในใจอะเป็นอารมณ์ทางใจเออออันเนี้มันจะรวมลงมันจะมันจะเรียนได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในในเบื้องต้นเนาะผู้ใหม่ก็ผู้ใหม่ก็คือก็เรียกว่าอย่าไปรู้เรื่องที่มันอยู่นอกนอกตัวมากเกินไปมากเกินความจําเป็น เช่นไปดูไปฟังหมอไปออรหอหลงงนอเพราะว่ามันมันพาให้ไข้หลงก็แล้วหลงส่งจิตออกนอกไปรู้มันก็กลับมารู้อารมณ์ในตัวเองก็คือในในกายในจิตแต่ว่าถ้าใครเห็นอารมณ์ในจิตได้ก็ถือว่ามันรวมลงที่จิตแล้วแล้วก็มันรู้ได้ทีนี้มันมีปัญหาอีกว่าเมื่อรู้จิตที่เขาบอกว่าให้ดูจิต ให้รู้ในจิตวิธีรู้วิธีรู้เนี่ยเหมือนกับหลวงพ่อสมัยก่อนเหมือนกันเขาบอกว่าให้ดูจิตให้ดูจิตให้ดูที่จิตให้รู้ที่จิตคือตอนที่เราฝึกใหม่มันจะมีตัวเราเป็นผู้ดูเป็นผู้ตั้งใจดูนะเป็นผู้มองดูเป็นผู้เพ่งดูอันนี้ใหม่ๆเนาะ เพราะว่าเราไม่เข้าใจใช่ไหมพอเราไม่เข้าใจเสร็จภาษาภาษาในการสื่อสารเขาบอกว่าให้ดูจิตทีนี้เนื่องจากว่าเราใหม่ยังไงเราไม่รู้วิธีดูเราก็ใช้ตัวเราเนี่ยเป็นผู้ดูโยมลองทบทวนอารมณ์ของตัวเองก็ได้เนะว่าอย่างสมมติว่าผู้ผู้เก่าเนาะอาจจะย้อนหลังไปว่าเออตอนเป็นผู้ใหม่การดูจิตของของเราอะของโยมอะ่ะมันมีพฤติกรรมแบบไหน ส่วนผู้ใหม่พรายังไม่เป็นผู้เก่าเนาะก็ยังก็ยังดูใช้วิธีก็เหมือนเราคนอนือน่นๆนะก็คือตั้งใจดูเพ่งดูจ้องดูอ่าปิดตาดูอะไรเงี้ยก็เรียกว่ามีการตั้งท่ามีการจงใจจงใจเยอะๆด้วยไม่ใช่จงใจใ่เล็กๆน้อยๆคือจงใจเต็มที่เลยถึงขั้นเพ่งกันไปเลยอะ่ะหลวงพ่อก็เลยบอกว่าการจงใจดูการเจตนาดูการพยายามดูกัน เพ่งการจ้องพวกเราเนี้ทั้งหมดมันยังไม่ใช่เป็นเรื่องของการดูจิตที่ถูกต้องแต่มันก็ต้องดูแบบผิดๆไปก่อนทีนี้ถ้าถูกต้องมันดูอย่างไงการดูจิตทู่ถูกต้องมันจะต้องไม่มีผู้ดูเนีมันไม่มีการจงใจดูมันไม่มีการเพ่งและไม่มีการจ้องไม่มีการพยายามที่จะดูจิต เพราะว่าการต้งจงใจตั้งใจเนี่ยมันเป็นตัวเจตนาใช่ให้เป็นการแทรกแซงแทรกแซงคือปรุงแต่งขึ้นมาเป็นผู้ดูแต่การดูถ้าการดูจิตที่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ต้องมีผู้แทรกแซงไม่มีผู้จงใจไม่มีผู้เจตนาไม่มีผู้พยายามคือมันจะรู้ไปเลยที่จิตมันจะเห็นไปเลยอาการที่จิตอะไรเกิดขึ้นในจิตคือมั น, มนดูมันรู้รู้มันเห็นไปเลยโดย ไม่มีเราเป็นผู้ดูไม่มีเราเป็นผู้ตั้งใจไม่มีเราเป็นผู้จ้องไม่มีเราเป็นผู้พยายามจะดูะทีนี้ผู้ใหม่สมมติได้ยินอย่างนี้เนาะก็ต้องก็ต้องทำสองวิธีคือตั้งใจดูจงใจดูเพ่งดูอันนี้ เ, เรียกว่าฝึกแบบนี้ไปก่อนแล้วพอมาตอนหลังเนี่ยมันจะพบด้วยตนเองนั่นแหละว่าบางครั้งเนี่ยไม่ได้จงใจดูไม่ได้เจตนาดูไม่ได้จ้องดูไม่ได้พยายามดูแต่มันก็ดูจิตมันรู้จิตได้ ตรงที่ไม่เจตนาตรงที่ไม่จงใจทีนี้เมื่อเป็นอย่างเนี้ยโยมก็จะพบว่าอ้อไอ้ที่ผ่านมาไอ้การจงใจาการเจตนาเนี่ยรู้สึกมันหนักมันเพ้งมันปวดหัวมันเหนื่อยแต่ถ้าการดูแบบไม่ต้องทำอย่างนั้นเนี่ยมันเบาแล้วมันรู้ได้เองหลวงพ่อยกตัวอย่างหลวงพ่อยกตัวอย่างว่าเช่นการดูจิตตอนเป็นผู้ดูใหม่ๆเนาะ อาจจะมีรูปแบบหน่อยเช่นนั่งปิดตาพอนั่งปิดตาเสร็จแล้วแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าก้กมหมัวนิดนิดหรืออาจจะไม่ก้มแต่มีพฤติกรรมว่าส่งส่งส่งสัญญาณอะส่งจิตที่จะไปไปดูในในอกในในในอกของตนนะในตรวอกในอ ก, นอกขั้งในรูไผ่ในเพ่งเข้าไปตรงนั้นแหละเพ่งแล้วพอเพ่งเพลิดแล้วเนี่ย อันเนี้ยเอาเป็นว่าก็เรียกว่าเพ่งเลยกันแล้วกันเพราะมีการเจ็บแล้วก็ต่อมาเมื่อจงใจอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเห็นความคิดอาจจะเห็นอาการจะเห็นอะไรก็ไม่รู้ในอยู่ในจิตที่มันปรุงแต่งนะแต่ตรงเนี้ยหลวงพ่อก็เลยเลยบอกว่าไอเห็นก็เห็นไปเอะแต่ว่าไอการจงใจยังมีอยู่แต่ทีนี้เมื่อบางครังบางคราว โยมไม่มีพฤติกรรมแบบนี้นะแต่อยู่ๆมันรู้ขึ้นมาได้เองว่ามีอาการอะไรเกิดขึ้นในจิตเช่นบางคนนะบางคนเนี่ยสมมติว่าโยมจะจะเดินจะนั่งจะนอนกันแล้วแต่หรือว่ากำลังมองลูก ม, มองนี่กันแล้วแต่แล้วเกิดอาการมันไม่พอใจขึ้นมาในจิตคือแบบไม่พอใจแล้วขัดใจแล้วแล้วมันมีสภาวะแบบนี้แล้วก็ไปรับรู้ได้ว่าเออมันมีสภาวะว่ามีอาการขัดใจมีอาการไม่พอใจ ถ้ารู้แบบไม่จงใจอย่างเงี้ย <_ d ance> เขาเรียกว่าเออเป็นการดูจิตแล้วมันเพราะว่ามันเกิดเองแล้วก็รู้เองโดยไม่จงใจจริงๆเนี่ยถ้าถ้าเครที่ลองฝึกแบบจงใจแล้วแล้วตอนหลังลองลองฝึกไม่ทำอย่างนั้นก็อยู่เป็นปกติจะนั่งจะพูดจะคุยจะดูทีวีอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตประจำวันแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะรู้จักเองว่ามัน พอใจหรือไม่พอใจอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็จะรับรู้ขึ้นมาแล้วโยมก็จะรู้เองว่าอ๋อการดูจิตแบบไม่จงใจอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการดูที่ที่เป็นธรรมชาติเป็นการรู้ได้เองเนาะอ่าทีนี้เมื่อโยมจับทางได้แบบนี้ต่อไปโยมจะแบบจงใจจะพยายามก็ก็ทาไปแต่โยมก็จะคือมันจะรู้เอ ง, เองว่าอ๋อมีการจงใจมีพยายาม คือมันจะรู้เองว่าเออไอตัวมีมีพฤติกรรมแบบนี้อ่าพอตอนหลังไม่จงใจไม่เจตนามันก็จะรู้เลยว่าเออไม่มีพฤติกรรมของการจงใจทีม่มีเจตนาเห็นไหมล่ะตอนนี้ยมันจะมีจิตตัวจริงมารู้เราหมดเลยว่าจงใจมันก็รู้ไม่จงใจมันก็รู้นี่ไอตรงที่รู้แบบอย่างนี้แหละไอรู้ที่ที่รู้รู้อาการของจิตรู้พฤติกรรมของจิตเ น, นี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่า ตัวจิตล้วนๆเลยเอ่อเป็นจิตรู้ล้วนๆเลยที่ไม่ไม่ไม่เป็นสัตว์บุคคลที่เป็นผู้ดูเนี่ยที่หลวงพ่อพูดแบบนี้นะยอมต้องต้องต้ ง, ตงฟังให้ออกนะแต่ว่าหลวงพ่อว่าไม่ยากหรอกเพราะว่ามันยูมีอยู่แล้วในในในในหมู่นักปฏิบัติอะเพราะว่าการจงใจก็มีอยู่แล้วก็การไม่จงใจก็มีอยู่เหตุที่หลวงพ่อพูดแบบนี้จริงๆมันก็เกิดจากประสบการณ์หลวงพ่อแหละหลวงพ่อก็เคยทาอะไรแบบจง ใจแบบพยายามพยายามอะไรเนาะไม่ว่าการรู้กายเนี่ยพยายามจะรู้เดินก็รู้นั่งก็รู้คือกำหนดรู้อะ่ะแล้วก็ยกมือสิบี่จังหวะแบบหลวงพว่อเตียนก็มีการเจตนาจะยกจงใจที่จะดูจงใจที่จะรู้อย่างเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่จงใจแต่ทีนี้มันมาพบจากประสบการณ์ไงบางครั้งเนี่ยเวลาเราลืมเราลืมตัวเราไม่ได้กาหนดเราไม่ได้เจตนาอะไรบอกเขาเรียกว่าลืมตัว พอลืมพอลืมตัวปับ๊บมันก็เดินด้วยความหลงความลืมใช่ไหมอ่ะตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยพราลืมหมดแล้วตัวกําหนดก็ไม่มีตัวจ้องก็ไม่มีตัวพยายามก็มีตัวตัวตั้งใจก็ไม่มีอันนี้เผลอแต่ทีนี้ขณะที่เผลอเผอแบบเนี้ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับชีวิตอ่ะเออเออเดี๋ยวสมมติหลวงพ่อยกตัวอย่างที่ไม่เคยยกตัวอย่างก็ได้มั้งมีอยู่คราวหนึ่งหลวงพอ่อหลังจากเสร็จทําวัดเช้าเนาะที่วัดป่าสุขวัตโต แล้วก็เดินเดินจากศาลาไปจากศาลาธรรมบัดเนี่ยไปอีกศาลาหนึ่งเราเรียกว่าศาลาหน้าระหว่างเดินเนี่ยมาเดินมาผ่านทางก็เรียกวศาล า, าไก่ถ้าคนที่เคยมาวัดป่าสุกัสโต้ครู้จักนะทีนี้ตอนนั้นมันก็ยังมืดอ่าเพราะว่ามันตีห้ากว่ายัางมืดก็เดินไปเดินไปก็เดินคือบางช่วงก็เดินก็เรียกว่าเดินแบบกําหนดรู้อ่ะแหละแต่บางช่วงก็แบบใจลอยคือมันหลุดไม่รู้เรื่องแต่ทีนี้มันมี อช่วงหนึ่งที่หลวงพ่อคงจะไปเหยียบแมงป่องเข้านะไปเหยียบแมงป่องพอเหยียบแมงป่องปั๊บโอ้โหพอมันต่อยปั๊บเนี่ยมันทันทีเลยมันรับรู้พอรับรู้เสร็จแล้วเท้าเนี่ยมันสะบัดแบบสะบัดรองเท้าก็หลุดแมงป่องก็หลุดกระเด็นไปคนละทิศคนละทางหมดเลยะแล้วก็หลังจากนั้นคือความเจ็บอะไรมันก็มาเร็วเนะพอเจ็บพอโดนต่อยปั๊บมันก็รับรู้ได้หมดเลยความเจ็บ แล้วความคิดความนึกเนี่ยมันปรุงแต่งเนี่ยคือมันหลวงพ่ออยากจะบอกเลยว่าแบบในขณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนั้นอ่ะมันมีอารมณ์มากมายอารมณ์มากมายเราไม่สามารถที่จะพูดได้ทันว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเช่นสมมติจะพูดว่าเจ็บหนอคิดหนอสะบัดหนอมันพูดไม่ได้หรอกมันเร็วเร็วเกินกว่าที่จะพูดได้แต่ผ่านการรับรู้ทั้งหมดเลยผ่านการรับรู้ว่าในขณะเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยมันมีอะไรเกิด คือมันรับรู้ได้เท่าที่มันรับรู้แต่มากมายหลายอารมณ์เพียงแต่ว่าตัวเราเนี่ยจะไปไปนับหรือจะไปกาหนดรู้เนี่ยมันทาไม่ได้มันมีแต่การเป็นเองของมันหมดไม่ว่าอารมณ์จะเกิดขึ้นมันก็เป็นเองการรับรู้มันก็เป็นเองทีนี้หลวงพ่อก็จะบอกเลยว่าในขณะปัจจุบันนั้นเนี่ยการเจตนาการจงใจการตั้งใจการพยายามเนี่ยจะไม่มีเลย ไม่มีมีแต่ความเป็นเองแล้วก็หมดเองผ่านไปอย่างเร็วมากเลยพอถูกต่อยแมงป่องต่อยปับ๊บรองเท้าเท้าสะบัดรองเท้าหลุดแมงป่องกระเด็นความเจ็บความคิดความนึกมันผ่านอย่างเร็วมากเลยไม่มีอะไรแบบตั้งตั้งอยู่กับที่เลยมีเต็มหมดผ่านแต่การรับรู้ไม่มีการเจตนาไม่มีการจงใจตรงนี้หลวงพ่อก็จะชี้ให้เห็นว่า เวลาเราตั้งใจปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่จะให้รู้อะ น, นะอ๋อเรามีพฤติกรรมอย่างนั้นตั้งใจจงใจพยายามนะแต่เวลาไม่มีเราเป็นผู้ปฏิบัติอนะไม่มีการจงใจนะไม่มีการพยายามแต่การรับรู้ก็มีอยู่มีอยู่แบบไม่ได้จงใจไม่ได้เจตนาไม่ได้พยายามแล้วก็เห็นถึงความหมดไปหมดมีแล้วหมดไ ป, ม, ม, ดไปมีแล้วหายไปก็ไม่ได้จงใจที่จะไป เรียบเรียงว่าเมื่อไหร่มันจะหมดเมื่อไหร่มันจะเกิดไม่มีไม่มีการจงใจไม่มีการเจตนาแต่มันก็รู้ได้หมดและก็ผ่านไปหลวงพ่อก็เลยชีย้ให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างการจงใจการเจตนาการพยายามกับการไม่จงใจการไม่เจตนากาพย า, ยามมันไม่เหมือนกันแต่มีธรรมชาติเดียวเท่านั้นที่เหมือนกันก็คือธรรมชาติที่รู้ รู้ก็คืออะไรอ่าเมื่อมาปฏิบัติถึงขั้นรู้จักธรรมชาติรู้แล้วเนี่ยมันจะรู้เลยว่าเจตนาก็รู้จงใจก็รู้พยายามก็รู้นะไม่เจตนาก็รู้ไม่จงใจก็รู้ไม่พยายามก็รู้เห็นไหมธรรมชาติรู้เนี่ยซึ่งเป็นธรรมชาติที่พ้นไปแล้วจากจากสิ่งถูกรู้สิ่งถูกรู้ก็คืออะไรการจงใจการเจตนาการพยายามอันเนี้ยทั้งหมดล้วนแต่เป็นสิ่งถูกรู้หมด แต่ธรรมชาติรู้คือพ้นไปแล้วคือไม่เป็นสิ่งนั้นแล้วก็พอเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ไม่จงใจไม่เจตนาเหนไมมันก็รู้ได้นะว่าเจ้าตัวไม่มีพฤติกรรมของการเจตนาการจงใจแต่ธรรมชาติรู้เนี่ยซึ่งเป็นธรรมชาติที่มันพ้นไปแล้วเนี่ยก็คือมันได้แต่รู้แล้วมันก็พ้นไปจากสิ่งที่ถูกรู้เออ ตรงนี้แหละโยมคือบางทีเราปฏิบัติธรรมใหม่ๆเหมือนเหมือนกับว่าเรายังไม่รอบรู้ในกองสังขาร ย, ยังไม่รอบรู้ในธรรมทั้งปวงเนานะมันก็ต้องปฏิบัตแบบิแบบแบบแบบผิดๆไปก่อนแต่ต้องเป็นผู้สังเกตต้องเรียนรู้ชีวิตว่าเออมันชีวิตมันเป็นยังไงล่ะชีวิตชีวิตมันเป็นยังไงอะ่ะก็เรียนรู้มันเออเมื่อเรียนรู้เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อตอนท้ายๆเนี่ยตอนกลางๆตอนท้ายๆมันจะรู้เลยว่า มันมีธรรมชาติอ right, ันหนึ่งซึ่งเป็นธรรมชาติที่หลุดที่พ้นแล้วคือไม่เป็นอะไรไม่เป็นตัวไม่เป็นตนนะแล้วก็เป็นธรรมชาติที่ที่มันเหนือมันเหนือทุกสิ่งมันเหนืออารมณ์มันเหนือทุกอย่างทุกสิ่งเลยมันเหนือก็คือมันไม่เป็นอะธรรมชาตินั้นก็มีอยู่ธรรมชาตินั้นแหละเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแต่เป็นแต่มีความรู้แต่สิ่งใดที่ ที่ถูกรู้โดยธรรมชาติที่ที่ไม่ปรุงแต่งอันนั้นนะล้วนแต่เป็นสังขารเนาะล้วนแต่เป็นทุกข์ล้วนแต่เป็นอนัตตาหมดเลยคือมันเป็นสิ่งอีกสิ่งสิ่งหนึ่งทีเนี้ยเราปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงๆก็คือปฏิบัติธรรมให้ให้มีปัญญาเนาะรู้รู้จักก็เรียกว่ารู้จักธรรมชาติให้ครบให้ท้วนะรู้จักอะไรก็คือรู้จักธรรมชาติที่ปรุงแต่งกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่ง ธรรมชาติทั้งสองนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ธรรมชาติที่ปรุงแต่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็มีอยู่เพราะมันเป็นโลกเนาะมันเป็นสังขารมันเป็นร่างกายจิตใจหรือเป็นสิ่งที่อยู่นอกตัวทั้งหมดมันก็เป็นสังขารปรุงแต่งก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่อย่างเนี้ยอยู่ล่ําไปเกิดแล้วหมดไปมีแล้วหายไปไม่มีใครจะไปหยุดไม่ให้มันเกิดได้ไม่มีใครจะไปหยุ ด, ด, ด, ะยดอะไรได้มันแล้วแต่เหตุปัใจจัยให้มันเกิดมันก็เกิดไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดมันก็ไม่เกิด อ่าแต่ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งก็เป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเออซึ่งมันจะไม่ปรุงแต่งไม่ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อเมื่ออดีตมันก็ไม่เคยปรุงแต่งปัจจุบันมันก็ไม่เคยปรุงแต่งอนาคตมันก็ไม่ปรุงแต่งอ่ะมันจึงเป็นธรรมชาติสองสิ่งที่คู่กันแบบนี้ทีนี้เวลาเราปฏิบัติก็หมายความว่าให้เรียนรู้ธรรมชาติที่ปรุงแต่งนะในกาย ในกายในจิตเนี่ยที่มันมีความแปรปรวนทั้งหลายก็เรียนรู้ว่าอ๋อธรรมชาตินี้เป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องธรรมชาติเหล่านี้ว่าไม่ควรยึดมั่นว่ามันเปรียบมันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราอ่านะหมายถึงว่าร่างกายจิตใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งเมื่อเห็นแล้วรู้จักแล้วก็ไม่ควรหลงยึดถือว่ามันเป็นเรามัน ของเราส่วนธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเป็นธรรมชาติที่พ้น แ, แล้วจากสังขารกขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่พ้นไปแล้วจากทุกคือเป็นธรรมชาติรู้เมื่อรู้จักแล้วก็ไม่หลงไปเป็นไม่หลงไปยึดถือว่าเราว่าธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเป็นเราหรือเราเป็นมันหรือเราเนี่ยไปยึดถือมันเพราะมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติใครไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องไปยึดถือมันมันมี แล้วเพียงแต่ว่าให้มีปัญญาไปรู้จักเท่านั้นเองเมื่อรู้จักครบถ้วนทั้งธรรมชาติที่ปรุงแต่งและธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแล้วแล้วก็อ๋อปล่อยวางแล้วไม่ยึดแล้วก็เท่ากับว่าพ้นไปนี่นะพ้นไปแล้วจากธรรมชาติที่เป็นสังขารพ้นไปแล้วจากธรรมชาติที่เป็นวิสังขารคือธรรมชาติไม่ปรุงแต่งพ้นแล้วเข้าใจแล้วถ้าใครมาถึงตรงนี้ ถ้าใครปฏิบัติจนเข้าใจตรงนี้แล้วว่าเออไม่หลงยึดถือแล้วไม่หลงยึดถือแล้วนะแล้วก็เข้าใจมาถึงตรงนี้คือรู้จักธรรมชาติสองประเภทนี้แล้วแต่อย่าลืมนะตรงนี้แหละสำคัญก็คือยังมีเราเป็นผู้รู้ธรรมชาติสองสิ่งนั้นอยู่เรารู้จักแล้วว่าอันนี้เป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่ง เรารู้จักแล้วว่าธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งเห็นหมห้ยังมีผู้รู้แล้วบังเอิญผู้รู้นั้นเนี่ยมันยังเป็นยังมีอวิชาคือมีความหลงยึดถือว่าเราเป็นผู้รู้เราเนี่ยเรียนธรรมะมาหลายปีเรารู้แจ้งแล้วรู้แจ้งในกองสังขานรู้แจ้งแล้วในอ่าในวิสังขานแต่ยังมีเราเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเห็นว่าไอเราที่เป็นผู้รู้เนี่ย มันก็เป็นสังขารเหมือนกันแล้วก็วางผู้รู้เสียผู้รู้ที่เรียกว่าเราเนี่ยตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่มีการชี้บอกว่าเรายังเป็นผู้รู้ตรงนี้มันก็จะมีเราเป็นผู้รู้ยืนพื้นอยู่เป็นเรามีผู้รู้ยืนพื้นอยู่ว่าเราเนี่ยรู้แล้วเรารู้แจ้งแล้วเพราะนั้นเนี่ยให้เห็นตัวเราให้รู้ตัวเราที่เป็นผู้รู้แล้วก็ เข้าใจด้วยความถูกต้องว่าเราที่เป็นผู้รู้มันก็เป็นสังขารเหมือนกันอ่ะเมื่อวางเมื่อวางผู้รู้แล้วเนี่ยตรงเนี้จึงหมดหมดแล้วเพราะพ้นไปจากผู้รู้พ้นไปจากผู้รู้ที่เป็นสังขารมันก็จบแล้วไม่มีอะไรแล้วนี่ก็เลยถึงความว่างถึงความว่างความม้างความว่างแห่งความเป็นตัวตนความว่างแห่งเอ่อความหลงผิดยึดมั่นถือมั่น จะเรียกว่าดับอวิชชาตัวใหญ่ก็ได้นะดับผู้รู้พบผู้รู้ทำลายผู้รู้อย่างเงี้ยดับอวิชชาแต่ถ้าไม่พบยังไงก็ยังมีอวิชชาอยู่หลวงพ่อพูดเพื่อให้ความเข้าใจในเรื่องของผู้รู้ที่เป็นอวิชชาเนาะหลวงพ่อจะพูดอย่างนี้คือธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติที่เป็นสังขารมันก็มีของมันอยู่แล้ว จะมีใครรู้หรือไม่มีใครรู้มันก็มีของมันอยู่แล้วธรรมชาติที่เป็นวิสังขารนะที่ไม่ปรุงแต่งมันก็มีของมันอยู่แล้วใครจะรู้หรือไม่รู้มันก็มีของมันอยู่แล้วแต่เราอะนักปฏิบัติเนี่ยตอนที่เป็นแบบเรียนอยู่กับโลกพวกโน้นเราไม่เคยรู้จักธรรมชาติแบบนี้เนาะแต่พอรารู้จักธรรมชาติแบบนี้ขึ้นมาก็มีเราเนี่ยที่ไปรู้มัน ไปรู้มันว่ามันเป็นสังขารรุงแต่งไปรู้มันว่ามันเป็นวิสังขารอย่างเนี้เขาเรียกว่าเราเนี่ยไปยุ่งเราเนี่ยเป็นก็เรียกว่าเป็นส่วนเกินก็หมายความว่ามันนี้อยู่แล้วแต่เราอะไปรู้มันเราอะไปรู้มัน <c oughs> ก็เลยกลายเป็นว่าเราอ่ะไปเสือกรู้ผม <c oughs> <c oughs> พ่อใช้คำนี้เลยนะเราเนี่ยไปเสือกรู้มันแล้วพอไปเสือกรู้มันเสร็จแล้วก็ไปยึดยึดว่ามีเราเป็นผู้รู้เรื่องมัน เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องต้องดับเสียดับตัวเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยเมื่อดับตัวเราเสร็จแล้วมันก็หมดใช่ไหมเออหมดผู้รู้ไปพอหมดแล้วมันก็เหลือธรรมชาติสองสิ่งนั้น เ, นเป็นบริสุทธิ์อยู่แต่มีเราเนี่ยยิ่งเรียนมากก็ยิ่งรู้มากยิ่งไปรู้มันมาก่มันอยู่ดีดีแต่เราอไปรู้มันเออเราพราไปรู้มั น, มนถ้าไม่มีเราเห็นไหมมันก็ก็มันก็อยู่แต่ของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือปัญหา มันปนัญหาของนักปฏิบัติธรรมคือเมื่อไปรู้มันแล้วก็เลยไปยุ่งกับมันไปพูดถึงมันนะเห็นไหมไปพูดถึงเรื่องสังขารไปพูดถึงเรื่องวิสังขารเห็นไหมยมบอลก็ยกัออยงพอพอมไอีไอตัวรู้เนี่ยกลายเป็นว่าแล้วก็เป็นอวิชชาเนาะแล้วก็ไปยึดถือไปยึดถือมาเป็นเรากลายเป็นว่าเรารู้เรารู้ นี่า ง, งโทษเห็นโทษเห็นไผ่แล้วยังว่าไอาการที่มีเอาวิชาเนี่ยคือไม่เห็นความจริงว่าจริงๆมันไม่มีเราเออจริงๆมันไม่มีเราแต่ด้วยเอาวิชาไปไปรู้ไปรู้อะไรเข้าแล้วแล้วก็ไปยึดรู้มาเป็นตัวเป็นตนนี่ไงจะไม่เกิดภพเกิดชาติขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมขึ้นถึงขั้นขั้นปลปลายแล้วเนี่ยต้องพบผู้รู้พบผู้รู้แล้วก็ทำลายผู้รู้ทำลายคือ ทำลายความเห็นผิดอ่ะทำลายว่าเออจริงๆไอ้ที่รู้นั่นรู้นี่อ่ะมันไม่ใช่เรารู้หรอกมันเป็นมันเป็นจริงๆมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วแหละแต่เราอะเอาวิชาเนี่ยไปยึดมาเป็นเราเองพอไปยึดเป็นเราเองก็รู้ไปหมดรู้ไปหมดเลยหลวงพายกตัวอย่างนะรู้รูปรู้นามเราไปรู้รูปรู้นามอย่างนี้ก็เป็นเอาวิชาจริงๆรูปนามมันก็มีของมันอยู่แล้วแต่เราอะไปเสือกรู้มันแล้วก็เลยวุ่นวายไปหมด แล้วก็ไปรู้ความเกิดดับจริงๆอ่ะมันเกิดดับอยู่แล้วแต่เราอ่ะไปรู้มันออันนี้ก็เป็นอวิชชาแล้วก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์เออมันก็เป็นทุกข์ของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะดันไปรู้มันอันนี้ก็อวิชชาแล้วก็สังขารทั้งหลายเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจริงๆอ่ะเราไม่รู้มันมันก็เป็นอนัตตา <ky> อยู่แล้วแต่เราอ่ะไปรู้มั น, น <screen> เพราะฉะนั้นนี่เห็นไหมไอเรารู้มันตรงนี้แหละ ต้องทำลายทำลายความเป็นเราเสียอ่าแล้วก็พวกสังขารพวกตกแต่ ง, ตงเอ้ยสังขารพวกที่ไม่ตกแต่ ง, ตงคือไม่ใช่สังขารเป็นวิสังขารอ่าเราก็ไปรู้มันพอไปรู้มันเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นอาวิชาอีกแล้วแล้วเราก็เราไปรู้นิพพานก็เอาวิชาอีกแล้วโอ้โหมันเอาวิชาทั้งหมดเลยถึงที่หลวงพ่อพูดมา เพราะ น, นั้นเนี่ยให้มีปัญญาเห็นตรงนี้แหละเห็นตรงนี้เพื่อดับเอาวิชาให้มันเป็นวิชาเสียก็คือรู้ถูกต้องว่ามันไม่มีเรารู้ไม่มีเราเป็นผู้รู้ไม่มีเราต้องเป็นอะไรเลยไม่มีเราเลยเมื่อวันก่อนเมื่อวานมั้งหลวงพอคุยกับกับโยมคนหนึ่งก็คุยเรื่องนี้แหละบอกว่าเราเ น, นี่ยนะยิ่งเรียนสูงก็ยิ่งยิ่งรู้มากพอยิ่งรู้มากมาก็ยิ่งเสื่อรู้หลวงพอใช้คํานี้เพื่อมันโดนใจ เสือกรู้ไปหมดเลยผมก็ยกตัวอย่างบอกว่าเช่นดวงจันทร์เนี่ยดวงจันทร์เนี่ยมันก็มีของมันอยู่แล้วใครจะรู้หรือไม่รู้มันก็มีของมันอยู่แล้วแต่มีเราเนี่ยเสือกไปรู้มันเสือกไปรู้มันเออเห็นไหมมีเราเสือกรู้มันเนี่ยถ้ามีเราไปเสือกรู้มันก็เป็นอวิชชาใช่ไหเพราะมีเราเป็นผู้เสือกรู้ใ <laughs> จ่ก็ผู้เสือกรู้ก็เป็นอวิชชา แล้วดวงอาทิตย์มันก็มีคันอยู่แล้วแต่มีผู้ไปเสือกมันไปรู้มันว่าดวงอาทิตย์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีแสงสว่างมีความร้อนเนี่ยเขาไปเสือกรู้มันนี่เป็นอาวิชาหมดเลยเออแล้วก็รวมอื่นๆไปรู้อะไรมาเนี่ยรวมแล้วเนี่ยถ้ามีเราไปรู้นะเสือกหมดเลยผิดหมดเลยเออทีนี้โยมถามแล้วทำไงเราบอกก็ไม่ต้องทำอะไรก็ให้รู้เท่าทัน ที่มันไปรู้อะไรก็ให้รู้เท่าทันว่าไม่ใช่เรารู้เออไม่ใช่เรารู้แต่ถ้าเป็นเรารู้เมื่อไหร่นะเป็นเอาวิชาทันทีเลยนี่ไงเป็นเอาวิชาปัจจายังคาราสังขปัจจายออ ว, วิญญาณจะไม่ได้หลงก็ต้องไม่รู้เพราะนั้นคนที่ไปไปรู้ปฏิจจส ม, มุทบาทก็นี่ก็ไปเสือกรู้กันอีกแล้วมันมีของมันอยู่แล้วแต่อีกคนไปเสือกรู้ ไม่ล่ะก็เป็นเป็นอวิชชาปฏิอริยสัตว์สี่มันก็มีของมันอยู่แล้วแต่มีผู้ไปเสือกรูก้ถึนมันอีกโอยเงี้ยเป็นอวิชชาหมดทีนี้หลวงพ่อพูดแบบนี้โยมโยมเข้าใจไหมอะ่ะโยมเข้าใจไหมอ่ยทีนี้มันเป็นธรร ม, มาที่ละเอียดมากนะตรงนี้อ่ะเพราะนั้นจริงๆเนี่ยการรู้การเห็นเนี่ยมันไม่ ม, ไมีใครรู้หรอก สูตรพระพายะเนี่ยพวกเราเคยได้ฟังได้อ่านมาใช่ไหมละ่ะพระพายยะในการใดแลเนี่ยนะถ้าเห็นเนี่ยก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อรู้แจ้งก็สักว่ารู้แจ้งในการนั้นเนี่ยถ้าสักแต่ว่ารู้แบบเนี้ยตัวเธอไม่มีตัวเธอไม่มีในโลกนี้โลกหน้าระหว่างโลกทั้งสองนี่แหละคือที่สุดแห่งปุ๊กพระสูตรนี้คือบ่องบอกเชื่อเห็นว่าการรู้ก็ดีการเห็นก็ดีการทราบก็ดี การรู้แจ้งก็ดีไม่ใช่เธอเป็นผู้รู้ไม่ใช่เธอเป็นผู้ทราบไม่ใช่เธอเป็นผู้รู้แจ้งถ้าไม่มีเธอแบบนี้โลกนี้ก็ไม่มีเธอโลกหน้าก็ไม่มีโทไม่มีเธอระหว่างโลกทั้งสองก็ไม่มีเธอเนี่ยก็คือก็คือจบจบกันก็คือว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนแต่ทุกวันนี้โยมลองดูนะมีเราไหมล่ะเป็นผู้รู้ผู้เออเราเป็นผู้รู้ ยิ่งทำมากละเอียดนี่เราเป็นผู้รู้หมดหดเลยเนี่ยถ้าเราเป็นผู้รู้ก็ผิด น, นะเพราะนั้นไม่มีเราเออถ้ารู้ก็ก็คือมีแต่รู้แต่รู้แต่เราอ่ะชอบไปไปเสือกข้าวเออชุดนี้เราไปฟังให้ดีมันเป็นแบบสุดยอดแล้วต้องต้องพูดกันต้องต้องถามต้องคุยนะเรื่องเนี้ธรรมะมันจะแจ่มแจ้งแต่เราไม่ได้ถามเรื่องของความรู้อย่างอื่นเราเอา ความรู้ของตัวเนี่ยที่มันมีอยู่ในกายในใจเนี่ยนะเออเพราะว่าตอนนี้มันของจริงมันอยู่ที่ตัวในเรื่องเงินเนี่ยมันอยู่เป็นคําแบนที่บอกทางก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้เรามารู้จักตัวเองกันเห็นกายเห็นจิตมันมีอาการอย่างไรแล้วเป็นยังไงแล้วเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วเนี่ยเราเนี่ยพูดว่าอะไรบนว่าอะไรเช่นบอกว่าเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้เราเห็นแล้วเห็นไหม โอเคสิ่งถูกเห็นนะมันเป็นสิ่งที่ปรากฏแต่อัที่เราเห็นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันผิดเออมันผิดคือไปรู้แล้วก็ไปยึดว่าเราเห็นจริงๆมันไม่มีเราเห็นแต่มีแต่การเห็นรู้ก็เหมือนการมันมีแต่การรู้แต่ไม่มีเรารู้เออหรือว่าถ้าโยมอาจจะมองว่าขก็ยังรู้สึกว่าเป็นเรารู้อยู่ก็รู้ไงว่ามันยังรู้สึกว่าเป็นเรารู้ไม่ได้ห้ามอะไรแต่ให้พึงเข้าใจด้วยปัญญาว่า ไอความรู้สึกอะ่ะมันก็เป็นสังขารปรุงแต่งนะมันเพิ่งเกิดขึ้นระหว่างตอนนี้เดี๋ยวนี้แต่เมื่อคืนนอนหลับไอความรู้สึกว่าเป็นเรารู้สึกอะ่ะมันก็ไม่ได้มีอ่ามันเพิ่งจะมีเมื่อสักคู่เนี้อ่าใช่ไหมเพราะนั้นความรู้สึกมันก็เป็นแค่เพียงสังขารปรุงแต่งแล้วก็มีแล้วหมดไปมีแล้วหายไป